การสแสดงดนตรีเนี่ยเป็นจุดสนใจของบุคคลให้สนใจมีหลากหลายทําให้เราได้แง่คิดจากการฟังดนตรีแล้วก็ได้ฟังข้อคิดได้เป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวยเมื่อกี้เนี่ยผมสังเกตดูทุกท่านฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยใจที่สงบเพราะฉะนั้นดนตรีก็ดีกีฬาก็ดีศิละปะก็ดีช่วยปรุงแต่งจิตใจเราให้ดีทั้งนั้นให้เรารู้จักใช้บางสิ่อย่างก็ไม่ควรปฏิเสธ เอามาใช้ได้นะียอย่างเวทีใจสบายเนี่ยคําว่าสบายเนี่ยเราเข้าใจตรงไหนคือความสบายความสบายกับความสนกุกต่างกันไหมมา <c oughs> ด, ดูนะคำสองคานะระหว่างคําว่าสบายกับสนกุกสนุกนี่ขากลิ้ง <c oughs> ขากลิ้งสนุกไหมนะสนกุกสบายไหมขากลิ้ง <c oughs> ไม่สบายนะ ไปอุตรดิตสนุกแทบตายอยู่เรเบิ้ลความใจสบายสนุกแทบตายเพรา ะ, ะนั้นความสนุกเนี่ยจิตใจมันจะเป็นไงมันจะตื่นเต้นเร้าใจเน็ตเหนื่อยกระววกระวายสรุปแล้วใจไม่ปกติอย่างกี้ฟัร์โนตีเนี่ยทุกคนไม่ขำกลิ้งถึงขำก็ขำแบบไม่กลิ้งขำแบบสบายสบายจิตที่สบายนั้น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 เพราะทำงานมีจิที่ผิดปกติร่าเลยจนเกินไปมีโอกาสที่จะประมาทได้แต่ถ้าขับรถไปเนี่โอ้โหไอเราต้องมานั่งขับรถไอพวกเขาสนุกกันมันกันทาเดียวเราลำบากเราไม่อยากขับรถเลยจิตใจที่เศร้าหมองงานก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าคนขับรถนั้นขับรถด้วยจิตที่เป็นปกติเอาละเขาสนุกก็ดีแล้วขอให้เขามีความสุขมากๆเราเนี่เราช่วยเหลือเขามีความสุขมากๆเราทําบุญก็แล้วกัน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 ข้อไหนให้การกระบาดลงไปในข้อนั้นแต่ไปเขียนเครื่องหมายถูกเข้าไปเนี่ยสอบตกเลยนะไอ้ที่สอบตกนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้มีความรู้แต่ประมาทห็น <c oughs> ไ, ไหมประมาทนิโวการสอบตกได้จิตผิดปกติหรือถ้าหากว่าเปิดข้อสอบมานักเรียนคนนั้นเนะปิดข้อสอบมาโอ้โหกูตกอีกแล้วตกอีกแล้วเนี่สอบเขาสอบยากแล้วก็ตกอีกแล้วจิตใจเศร้หมองตกจริงๆ แต่คนที่เข้าสอบด้วยจิตที่เป็นปกติเตรียมตัวมาดีแล้วอ่านทบตัวแล้วก็อันไหนทําได้ทําได้เลยอันไหนทําได้ข้ามไปก่อนเห็นไหมทําด้วยสติด้วยจิตที่เป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินไล่จะทํำข้อสอบได้ดีมากเราเข้าสอบครูบาอาจารย์จะบอกว่าอทำใจเย็นๆนะข้อสอบทํำข้อสอบใจเย็นๆเห็นไหมคือตัณใจเป็นปกติเขาเมื่เคยบอกว่า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 เข้าช่วยเหลือแล้วต้องมีสติรักษาจิตจิตจึงจะเป็นปกติแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะห้ามนะเวลามีความสุขมากระทบเราห้ามไม่ให้ตกก็ไม่ใช่ความสุขความชื่นชมยินดีปีติอิ่มเอิเปลิมใจมีได้มีได้แต่ต้องมีสติรู้ อย่าเข้าไปยึดติดในความสุขถ้าเราเข้าไปยึดติดในความสุขเมื่อไหร่แล้วก็เราจะเป็นทุกข์นะเพราะสุขจะคู่กับทุกข์ความสุขนี่ก็ไม่แน่นอนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสุขมีความปีติในสุขนั้นแล้วก็อย่าไปยึดติดเวลาความสุขเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์เนี่ยเราจะไม่เศร้าหมองเลย เราต้องมีสติรู้ทันในความสุขไม่ห้ามนะแต่ให้รู้ทันจิตจะเป็นปกติเป็นกลางกลางใช้จิตเป็นกลางกลางทหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นจีนอยากจะ เ, จเชิญชวนญาติธรรมเนียเรามารักษาใจเป็นปกติดิอย่างตอนนี้หลายคนใจเป็นปกติกลางกลางมีสติรู้เฉยความหงุดหงิดจะมีน้อยมากแต่เราลองมามีสติควบคุมใจส่านิดนึง ถ้าใจเป็นปกตินานๆเนี่ยมันจะมีความเบิกบานมีความเบิกบานอยู่ในจิตใจเบิกบานโดยธรรมชาติเพราะว่าไม่ถูกอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจปรุงแต่งอะเดี๋ยวเราลองมาฝึกใจิตให้เป็นปกติดูนะสติภาวนาเพื่อสุขภาพภาวนาคืออะไรคือทำใจิตให้เจริญไม่ถูกอารมณ์ครอบงาแต่ไม่ห้าม ไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอารมณ์พุสติเพื่อรักษาจิตให้เป็นปกติเพื่อให้จิตมันจเจริญพัฒนาแม่ถูกอารมณ์ตั้งครอบงำความคิดเนี่ยเปรียบเสมือนกรงขังจิตใจเราเวลามันคิดขึ้นมาในส่วนที่พอใจจิตเราก็พุ่งไปตามความคิดนะถูกมันขังแล้วเราไม่สามารถจะรู้ทันมันแล้วก็ไม่เข้าไปยึดติดมัน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 รู้เฉยๆไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมันจะชัดไม่ชัดแล้วแต่สติเขาทาหน้าที่อย่าไปบังครับมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรพอทำบ่อยๆเนี่ยก็จะค่อยชัดเจนไปเองเวลามันเกิดความคิดอย่าไปห้ามปล่อยให้ก็คิดตามธรรมชาติถ้าใครห้ามความคิดเนี่ยจิตจะเครียดทันทีเลยปล่อยให้คิดตามธรรมชาติให้เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันคิดไปเรารู้สึก อยู่ที่การเคลื่อนไหวเราจะไปคิดว่าไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบเราจะทำถึงสองอย่างพร้อมกันเนี่ยจิตมันจะเครียดเราไม่ต้องการความสงบไม่ต้องการความคิดเราแค่รู้สึกทำแค่หนึ่งเดียวจิตทำงานหนึ่งเดียวเนี่ยจิตจะมีพลังเพราะนั้นแค่รู้สึกอย่างเดียวก็พอและอยังไม่สนใจกับอะไรแล้วจิตจะเป็นปกติแล้วก็จะสามารถควบคุมจิต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 ทุกครั้งที่เราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยจิตเราจะสบายสบายเป็นกลางๆงการเดินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าเดินจงกรมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าเดินจงกรมก็ได้เดินอย่างรู้สึกตัวทีนี้แต่ละวันเนี่ยเราต้องเดินไปไหนบ้างเราอย่ามุ่งแต่ว่าให้ไปถึงอย่างเดียวยิ่งรอเมื่อไหร่มันถึงแล้วก็มันจะยิ่งนานนั่นเดินแบบรู้สึกรู้สึกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงไวได้สติด้วย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 ทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามาฝึกสติได้ทั้งนั้นเลยทุกอย่างใช้ฝึกสติได้ทั้งนั้นเล ย, ยเช่นว่าเราอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยเราฝึกสติได้เวลาเขาไม่พอใจอะไรเราเนี่ ย, ยเช่นว่าเขานินทาว่าร้ายเรามองเราในแง่ร้ายเราห้ามเขาได้ไหมแต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์ได้ไหมดูใจเราวันไวไหม ถ้าราวันไหวแสดงว่าเราผิดปกติแล้วใครที่เขานินทาว่าร้ายเราเราก็ดูใจเราเราอย่าไปห้ามเขาแต่เรารู้จักใจเราเขาจะพูดนินทากันยังก็ตามถ้าใจเราเป็นปกติวางเฉยได้เนี่ยเราชนะใจตัวเองแล้วนะใครก็ตามมาสรรเสริญเรายกย่องเราไม่จะไปต้องปล่อยจิตใจให้ฟูไปตามอารมณ์ค่ะให้ดูใจเราอ๋อนี่ใจเราฟูแล้วนะให้รู้เท่าทันใจเรา ใครก็ตามเขาไม่สนใจเราเราก็ดูใจเราในโลกนี้มีคนอยู่สามประเภทที่จะมาเจอกับเราคือคนที่ชอบเราแล้วคนที่เกลียดเราแล้วคนที่เฉยๆกับเรามีสามประเภทในโลกนี้ใจเราเป็นยังไง ร, รักสาวให้เป็นปกติอย่าไปฟูตามคำที่เขาชมเชยแต่รู้เอาไว้อย่าไปแฟบเมื่อเขานินท้าว่าอะไรเรา รู้เอาไว้เป็นปกติเอาไว้อันนี้คือจิต ท, ที่มีธรรมะจิต ท, ที่เป็นปกติเป็นกลางวางเฉยเนี่ยจิต ท, ที่เต็มไปด้วยธรรมะเต็ไมไปด้วยสติความรู้เน้อรู้ตัวไอ้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างเราเราเฉยเฉยเนี่ยเย็นชายอย่างเงี้ยมันจะผิดปกติหรือไม่สงสัยไหมสุขมาแล้วก็เฉยทุกมาล้วก็เฉยมีจิตมีใจหรือเปล่าจะขอยกตัวอย่าง อ, อต้องขออภัยไม่ได้เปรียบเทียบนะพระอาหารหันต์กับคนบ้าเนี่ยต่างอริยบุคคลเนะพระอาหารหันต์นี่เป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วคนบ้าเป็นคนที่ผิดปกติจากคนธรรมดาจะว่าอยู่ในพบภูมิหนึ่งกันได้ไม่เ่ยพบภูมิของมนุษย์กันแล้วสองประเภทเนี้เขาจะมีความเฉยเหมือนกันยังมีใครไปด่าพระอาหารหันต์เนี่ยพระอาหารหันต์เฉยไหม แล้วคนบ้าเวลามันถูกด่ามันเฉยไหมมาเผยมันยิ้มด้วยภาะวะเฉยเนี่ยบุคคลสองคนเนี่ยเหมือนกันข้างนอกนะแต่ใจนี่ไม่เหมือนกันคนบ้านี่เฉยแบบไม่รู้ตัวนะแต่พระราหานี่เฉยแบบรู้ตัวรู้เท่าทันรู้เท่าทันตามความธรรมดาของโลกเพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่าทําไมเราเฉยช้า มีอารมณ์ชอบใจมาเราก็เฉยสิ่งที่ไม่ชอบใจมาเราก็เฉยมองเห็นเป็นธรรมดาเนี่ยเราบอกเขาเลยว่าเฉยแบบรู้ตัวควายกับคนเนี่ยต่างกันนะควายในไปด่ามานันมันก็เฉยนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาด่ามาเราเฉยเนี่ยเราเฉยแบบรู้ตัวควายไม่รู้ตัวอาจารย์ชา บ, บอกว่าอย่าทําตัวแบบควายวางเฉยไม่รับผิดชอบอะไรควายวางเฉยเนี่ยมันไม่รับผิดชอบนะเขายกตัวอย่างว่า มีผ้ารูปหนึ่งเป็นพระกรรมฐานหลวงว่อชาบอกว่าให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางนี่มีวันหนึ่งกุฏิมันรั่วมีลังคารั่วฝนตกมาท่านก็นไม่สนใจลังคาท่านก็นหลบไปข้างหนึ่งปล่อยให้น้ามันลดไหลามาแต่ไม่ถูกตัวนะท่านหลบไปข้างหลวงว่อชาต้อนหนีว่าเอ้าทําไมท่านไม่ซ่อมกุฏิอ้ากก็อาจารย์ชาบอกมาให้ผมนี่วางเฉยไง ถ้าวางเฉยจริงๆเนี่ยทำไมต้องหลบฝนล่ะแม่ไม่ให้ฝนมันรดล้วนถ้าเราบอกเนี่ยเฉยแบบควายวางเฉยนะแล้วนะคะที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่อย่างนเรียกชื่อเราอุทยัยเราก็เฉยวางเฉยนั่นจะเป็นควายวางเฉยนะเรียกอุทัยล้วก็ต้องรับตามสมมุติ แต่ในใจนั้นเฉยข้างนอกทำตามหน้าที่ข้างในนี่สามารถวางเฉยแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติอันนี้คือใช้ชีวิตด้วยปัญญายาสุตรตงสำคัญมากยาสุตรตงวางเฉยเฉยแบบรู้เนื้อรู้ตัวเพรา ะ, ะนั้นชีวประจําวันเนี่ยขอให้ญาติธรรมเนี่ยเอามาเป็นการปฏิบัติธรรมได้หมดเลยเอามาฝึ ก, กจิตฝึกใจได้หมดเลยเอามาเจริญสติ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 อดทนเป็นการปฏิบททัติธรรมแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ได้เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขได้ทำเคยทางานที่ยากสาเร็จไหมทำงานที่ย า, ย, า ย, ทาทยากสำเร็จแล้วใจมันสบายเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งตอนเริ่มต้นเขียนไม่รู้จะเขียนว่าอย่างไรดีแต่พอเขียนจบเนี่ยสบายใจบางครั้งมันเกิดความท้อแท้ในใจนี่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 อาชนะใจเรานี่ยากแต่ถ้าเอาชนะใจเราได้แล้วก็จะชนะทุกอย่างชนะความทุกอันเนี้ยมันหน้าท้าทายนะเพราะฉะนั้นมันเกิด อ, อะไรขึ้นก็าตามเนี่ยต้องตั้งสติไว้สติจะมาจากไหนเราต้องฝึกฝึกในรูปแบบหาเวลาส่วนตัวของเราฝึกเดินจงกรมนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเดินก้าวท้าอย่ารู้สึกเนี่ยอยู่กับที่ก็ได้ ถ้าใครมีที่สักสิบสองก้าวเนี่ยเดินไปเดินมาเดินย่งรู้สึกตัวเนี่ยเดินแบบไม่ต้องคิดอะไรเอาแค่ความรู้สึกแล้วก็จบรู้สึกแล้วก็จบในรูปแบบหีือนั่งยกมือสร้างจังหวะสิบตีจังหวะแค่รู้เฉยหรือดูลมหายใจอะไรก็ได้ที่เอามาจิตสติได้ทําได้ทั้งนั้นในรูปแบบและในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมนอกรูปแบบการทานอาหารการอาบน้ํา การแต่งหน้าแต่งตัวให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะเว mm ้ hmm. เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลย mm hmm. ตากลืมตาตื่นมาตอนเช้าแล้วก็หลับตาไปตอนค่า mm hmm. เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดเลย mm hmm. จิตมันจะเป็นปกติมันจะวางเฉยแบบรู้ตัว mm hmm. แล้วขอยสังเกตดูนะทํานี้สักเดือนหนึ่งชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย mm ่างน้อยเปลี่ยนที่ใบหน้าเ mm hmm. พราะติด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 อันนั้นบอก ว, ว่าจิตใจนี่ไม่ค่อยปกติเหมือนแม่มดถ้าใจปกติแล้วหน้าตาเหมือนแม่พระพ่อพระ <c oughs> ผมสังเกต ด, ดูหลายคนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี่หน้าเครียด <c oughs> ไม่น่าเข้าใกล้มันคนที่เก็บกดอะไรกันไม่รู้ธรร ม, มะนี่มีแต่เรื่องปล่อยวางไม่ใช่เคร่งเครียดเก็บกดอันนั้นไม่ใช่ธรร ม, มะต้องปล่อยวางต้องเบิกบานบางครั้งเรารู้ตัวว่าเราไม่เบิกบานก็ทกําจิตให้มันเบิกบานก็ได้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 มันจะไม่ค่อยอยากคิดคนที่เจริติมากๆเนี่ยมันจะขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้มันง่ายที่จะไม่คิดมันยากที่จะคิดเพราะจิตเนี่ยมันเริ่มเสพอารมณ์ที่มันเป็นปกติมันว่างไว้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามความคิดแต่รู้จักเขาแล้วรู้จักใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์นะไหนใครมีปัญหาเพราะความคิดบ้างทําไมเราต้องเชื่อความคิดเสมอไปเราไม่ต้องเชื่อก็ได้ความคิดเนี่ย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 แต่ถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ต้องรู้จักแบ่งว่าวางแผนถูกแล้วแต่ถ้ากังวลเนี่ยนอนก็นดีกว่าคิดถึงอนาคตได้แต่ว่าไม่ต้องกังวลถ้ามีสติแล้วมันจะแยกแยะได้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการคิดถึงอนาคตว่าเราจะตั้งโครงการว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นลักคิดนะ ไม่เจตนาคิดเราไม่ต้องการความกังวลเราต้องการวางแผนใช่ไม่มแล้วจะเชื่อตัวไหนเชื่อตัวที่เราตั้งใจไว้ก่อนการตั้งใจคือทาการทําด้วยสติสติตัวเนี้ยไม่ใช่สติตามสัญญาณคือสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวเวลามันเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเราจะออกจากอารมณ์นั้นได้อย่างไรอันเนี้ย หลายคนก็เป็นอย่างเนี้รู้ว่าความโกรธนี่ไม่ดีจะทำไงที่เอาจิตออกจากความโกรธได้อันนี้คือปัญหาสําคัญมากอันดับแรกเมื่อเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือตั้งสติให้ได้ก่อนอ๋อนี่หงุดหงิดแล้วได้แล้วหนึ่งคะแนนของสตินะเป็นกุศลเติมคะแนนเลยในกุศลได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนรู้ว่ามันหงุดหงิดนะ ต่อไปคืออย่าไปบังคับอย่าไปห้ามไม่ให้มันหงิดถ้าเราไปห้ามอะไรแล้วก็มันจะเริ่ ม, มุงหงิดขึ้นมาอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับให้รู้ทันในจุดเนี้ยถ้าคนมีสติดีความหงุดหงิดก็จะดับไปแต่ว่าเมื่อเราสติไม่ดีอยังเป็นผู้เดินทางอยู่ให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนะถูนิ้วมือก็ได้ถูนิ้วมือมเจตนารู้รู้หนึ่งเดียวที่การถูนิ้วมือใส่ใจเจตนารู้ที่มือกาลังถูกันเบาๆรู้ตรงนี้ก่อน ทิ้งความวงหงุดหงิดไปก่อนเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการเจตนาลุกเงี้เดี๋ยวความวงหงุดหงิดก็จะค่อยๆ ค, ค, คลายไ ป, ไปถ้าไม่หายเปลี่ยนยาบทลุกไปไปที่ราต่างเปิดหน้าต่างดูนกดูยอดตึกสนใจกับสิ่งข้างนอกซะอันนี้คือการแก้ปัญหาต่อไปคนที่อ่อนใจาอารมณ์ไม่ได้อย่านั่งอยู่กับที่อย่านั่งจมอยู่กับความวงหงุดหงิดแล้วมันจะออกไม่ได้เห็นไหมพยายามเปลี่ยนยาบทซะนับหนึ่งถึงสิบหรือดูลมหายใจก็ได้ หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกสองสามครั้งเนี่ยใจก็จะสบายใช่เอาจิตออกจากอารมณ์ได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกั บ, กบอารมณ์เลยสำคัญที่ว่าเราไปบังคับด้วยแล้วมารู้สึกตัวด้วยบางคนโกรธก็รู้นะเคลื่อนไหวก็รู้โอ้โหนี่ได้สองคะแนนเลยได้สองรู้เลยแต่ว่าไม่เอาทั้งสองอย่างเคลื่อนไหวก็รู้เฉยๆไม่เอาโกรธก็รู้เฉยๆไม่เอาใช่ไ ได้สองอย่างเลยจิตรู้อยู่ตรงกลางให้เจอต้องทําบ่อยๆหลายๆครั้งสําคัญที่ว่าเราไม่เคยฝึกเลยแต่เวลาอารมณ์โกรธมากระทบปับ๊บอยากจะออยจากอารมณ์โกรธเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเวลาไม่โกรธต้องฝึกยามฝึกเราลบยามสงบเราซ้อมสร้างพลังไว้ให้มีความรู้ตัวเสมอๆซ้อมเรื่อยๆเวลาความโกรธมานี่มันเข้าไม่ถึงหรอก พอเราจองที่นั่งไว้แล้วเนี่ยสติเนี่ยเบียดเสมือนคนนั่งเก้าอี้เบียดเสมือนใจใจมีสติคุมอยู่แล้วเนี่ยใครมานั่งซ้อนเราก็ไม่ได้เราคุมพื้นที่ไว้แล้วต้องทําเสมอๆหนึ่งเรื่งมันถึงจะไม่ถูกอารมณ์ย้อมได้มันยังกับอะไรใบบัวกับน้ำเห็นไหมสติที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเหมือนใบบัวนะน้ําเป็นเสมือนอารมณ์มันทูกลันแต่มันก็ไม่ติดกันนะมันผ่านต้องฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆ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 ถึงเวลาเอาใอารมณ์นี้ยากมากต้องไม่เอาทั้งสองอย่างแต่ว่ารู้ทั้งสองอย่างแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติการออกจากอารมณ์นั้นต้องทําอยู่เสมอฝึกฝึกอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าไปบังคับอย่าไปห้ามเปลี่ยนยะบทซะไปอยู่ที่อื่นซะเนี่ยใช้เวลาเรานั่งทํางานเนี่ยมันเกิดความเครียดระวางเปลี่ยนมองไปที่หน้าต่างมองไปข้างนอกแค่นี้ก็คลายเครียดแล้ว เปลนระดับสายตาก็คลายเครียดแล้วออกจากอารมณ์ได้ลองฝึกทำอย่างนี้ บ, บ่อยๆแล้วต่อไปเวลาอารมณ์มันรุนแรงมันก็จะออกได้ง่ายเพราะเรารู้ช่องทางอยู่แล้วทีวีที่เราดูเนี่ยถ้ารู้แบบเพ่งเข้าไปในเรื่องราวเนี่ยมันจะเครียดแต่ถ้าดูตรงนี้ทีวีทั้งโน้นแล้วก็การนัเหตุผลนี้เราจะเอาถูกเอาผิดใช่ไหมใจต้องเป็นกลางซะก่อนใจต้องเป็นกลางเนี่ยรักษาสติให้เป็นกลางก่อนแล้วค่อยจัดการกับเหตุผล ถ้าไปหาเหตุผลด้วยจิตใจที่ไม่เป็นกลางแล้วก็มันไม่เป็นเหตุผลแล้วมันเข้าข้างตัวเองตลอดเขาจะบอกว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นให้มองโลกในแงด่ดีการมองโลกในแง่ดีนี้คือวิธีการคิดนะคิดนะทำไมเราต้องไปทุกข์เสมอเราเปลี่ยนไปคิดไม่ทุกข์ได้บ้างหรือไม่ทีวีมีต้องหลายช่องช่องนี้เราไม่ชอบเปลี่ยนไปอีกช่องหนึง่งเดี๋ยวมันก็เจอเรื่องตลกอยู่ดียวใช่ไม้มใจเราก็เหมือนกัน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 เราทําถูกแล้วดีแล้วแนะนำเขาแล้วเมนก็เชื่อฟังเราเลยลูกแล้วก็สอนเขาดีแต่ทําไม่เชื่อฟังเราเด็กมันดือ้อเด็กโอ้โหไปโกรธเด็กเพราะเราติดดีเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาบางสิ่งบางอย่างอาจจะรับรอไม่ได้เราต้องเข้าใจดีนะั่นแหละดีแนละ้ว่ะแต่ว่าอย่าไปยึดติดในความดีนะบางอย่างนี่มันเหนือเหตุเหนือผลเหตุผลก็ทําให้เราเป็นทุกข์ธรรมะจะมีสามขั้นไง ละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วคือชั่วไม่ทำดีทำแต่ไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วจิตจึงจพะพ้นด้วยติตที่บริสุทธิ์เป็นกลางๆลานี่ละทุกอย่างปัญหาชีวิตแก้โดยการฝึกสติปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพร่างกายแก้โดยการฝึกสติฝึกสติรักษาจิตที่เป็นปกติเมื่อจิตปกติแล้วเนี่ย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 ใจเรามันก็ไม่แก่ไปด้วยแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นความแก่แต่ไม่มีผู้แก่ฝึกใจนี่ละเนี่ยผมว่ามันมันอยู่เหนือความแก่กระทั่งเวลาเราตายนะโอ้นี่ใครมันตายเราไม่ตายในยร่างกายมันเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติเน่าเข้าลงไปเจรใจปกติมาฝึกใจมันดีทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ที่ใจแล้วจบเลยผมเป็นคนเดินเรือนะอยู่เรือเนี่ยกระแสน้ํานที่มันไหลเชี่ยวมาเนี่ยเราเปลี่ยนกระแสน้ํานไม่ได้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 ด้วยธรรมโอสถด้วยการทุกท่านทุกคนเถอด